ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสูทธ์ที่จะนำมาบรรยายในวันนี้เาชื่อว่าเสลาสูตรเาเป็นประสูตธ์ที่ว่าด้วยการตอบปัญหาของพระเทรีชื่อว่าเสลาในคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวัน กรุงสาวัตถีพระเสลาเทรีซึ่งในขณะนั้นบรรลุอรหัตเป็นพระหันแล้วก็เข้าไปพักผ่อนอยู่ที่ป่าชื่อว่าอันทวันซึ่งอยู่บริเวณกรุงสาวัตถีนั่นเองในขณะนั้นพญามานได้ปลอมตัวเป็นคนเข้าไปเรียนถามพระเทรีว่า สัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์นี้มาจากไหนผู้สร้างสัตว์นี้อยู่ที่ไหนสัตว์นี้เกิดมาได้อย่างไรพระเทรีได้แสดงว่าสัตว์นี้ไม่มีใครสร้างผู้สร้างสัตว์นี้ไม่มีที่จริงสัตว์นี้ก็เกิดมาจาก เหตุจากปัจจัยเป็นการที่บุคคลหว่านพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงในดินแล้วอาศัยรดแห่งแผ่นดินก็สามารถที่จะ ง, งอกขึ้นมาได้ขันห้าธาตุหกาดยถาะทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีเหตุจึงดับไป ข้อนี้ท่านทั้งหลายจะพบว่ามีข้อที่ควรศึกษาอยู่หลายข้อและออจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สูงหน่อยคือด้วยโดยความเชื่อของคนในยุคในสมัยต่างๆนั้น <c oughs> ก็เข้าใจกันว่าโลกนี้หรือสัตว์นี้หรือสิ่งทั้งหลายในโลก ที่มีความวิจิตพิสดารไปด้วยประการต่างๆนั้นก็น่าจะมีผู้สร้างพญามารจึงมาถามแตเ่เป็นการถามในแง่ที่ต้องการจะทดลองมากกว่าหรือต้องการทดลองว่าพระเถรีท่านจะเป็นพระหันหรือยังเมื่อท่านตอบอย่างนั้นเสร็จ พยามาณก็อันตรธานไปพระสูตรในแนวนี้มีลักษณะอย่างเงี้ยมากคือในสมัยพุทธกาลจริงๆนั้นเรื่องของภิกษุณีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากการสัตรูของพระพุทธเจ้านานพอสมควรเพราะถ้าเราเราเราดูตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์แล้ว ก็คงจะตกเราสิบกว่าปีจะสรุ้แล้วประมาณสิบกว่าปีภิกสุณีจึงบังเกิดขึ้นแต่พอภิกสุณีบังเกิดขึ้นแล้วในการประพฤติปฏิบัติในการไปไหนมาไหนเป็นต้นก็จะมีปัญหาไปสารพัดอย่างเลยพระพุทธเจ้าต้องทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น เป็นนั้นมากคือมากกว่าสําหรับพระเสียอีกแต่วาการมากนั้นไม่ใช่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพอะไรมันเป็นการเพื่อสวัสดิการสวัสดิภาพของภิกษุณีเหล่านั้นเองแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องจุกจิกคือมาอย่างนึกขำมีวินัยอยู่ชุดหนึ่งอาบัตพวกนี้ปกติพระเราไม่ค่อยต้องมีอยู่สข้อเรียกว่าปฏิเทศนิยะ ของพิสูจณีมีแปดข้อแต่ในแปดข้อนั้นเป็นเรื่องกินทั้งหมดเลยกินจุกกินจิกสารพัดเรื่องกินทั้งนั้นเลยอย่างนึกว่ามันก็แปลกดีเองกันแต่ของพระนั้นเป็นเป็นเรื่องขอใช่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องขอขอต่อสกุลที่ไม่ควรขอและเป็นเรื่อง ก, รการฉันโดยการขนขวายกับคนอื่นเป็นต้น ของของพิกษุณีเป็นตน้นต่อมาก็มามองดูถึงพฤติกรรมของคนคือจะไปในที่ใดก็ตามรู้สึกบุ่นวายเลยเกินหึงินบางทีไปบรรยายไปพี่ปลายอะไรเราพูดสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วประเดี๋ยวจะเสิร์ฟน้ำแล้วจะบริการน้ำแ้วคนก็นบางพูดอยู่น้ำคาญจริงๆเลย อะไรกันนักหนาไหมรู้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องกินมันก็คงจะสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก่อนนี้ก็ได้ไปพบการสำรวจอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็ทำสถิติเรื่องการใช้ชีวิตของคนไปพบว่าคนใช้เวลาแห่งชีวิตไปเพื่อการกินอย่างเดียวตั้งแปดปี ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันทีนี้ภิกษุณีทั้งหลายนั่นนะเพราะว่ก็จริงแล้วท่านจะไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อยู่ป่าเป็นวัดก็ไม่ได้แต่ข้อปฏิบัติของพระที่เรียกว่าการณียกิจคือข้อที่ควรทำสีอย่างของภิกษุณีทําได้สามอย่างนั่นเองคืออยู่ป่าไม่ได้ การที่ท่านต้องไปอยู่ป่านั้นต้องไปกันเป็นหมู่แล้วก็กระจายกันอยู่คือสามารถมองเห็นกันได้ช่วยเหลือกันได้อยามีอันตรายแม้จะเป็นพระอหันแล้วก็ก็ตามเดีย๋ยจะไปไหนคนเดียวไม่ได้แล้วภิกษุณีที่เข้าไปอยู่ในป่าส่วนมากจะเป็นป่านี้ป่าอันถวันป่าอันถวันนั้นมีประวัติที่พระอัตากยาจารย์ท่านเล่าไว้ มีประวัติความเป็นมาว่าที่ได้ชื่ออย่างนั้นก็เพราะในสมัยอดีตการคือสมัยพระกัสสปะสมาสัมพุทธเจ้าได้นิพพานไปแล้วในอุบาสกท่านหนึ่งชื่อยโสธระอุบาสกอันเป็นรเรีย บ, บุคคลระดับอนาคามีแล้วก็ต้องการจะชักชวน ร, ราษดรสร้าง เจดีย์บรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้าจึงไปได้รายเงินในที่ต่างๆแล้วก็เดินผ่านในที่นั้นพวกโจรกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอยู่เป็นนันมากถึงห้ารคนก็จับแล้วก็บังคับให้ท่านเอาเงินให้แต่ท่านบอกว่าให้ไม่ได้เพราะไมเงินของท่านเป็นเงินบุญจะรายไปเพื่อสร้างเจดีย์พวกโจรก็ไม่ยอม ในที่สุดองาก็ฆ่าท่านตายแต่โจตอนนั้นก็ตาบอดหมดคือด้วยกรรมบรนดาให้ตาบอดหมดอันทะก็คือบอดนะครับวันป่านั้นจึงเรียกว่าป่าอันเทวันคือเป็นที่อยู่ของคนตาบอดผู้โจรเหล่านั้นต่อมาญาติพี่น้องไปรับรับไปเลี้ยงดู ก, ก็มีที่ถูกทอดทิ้งไว้ก็มีก็กลายเป็นป่าที่ประจาน การกระทำบาปกรรมของคนพิษุจนีที่ไปพักในที่นี้มีเป็นอันมากและโดยเฉพาะท่านนี้มาถามแปลกหรือถามถึงใช้คำว่าสัตว์สัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์นี้อยู่ที่ไหนสัตว์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรพระเถรีได้ตอบตามหลักที่เป็นสัจจะ คือเป็นความจริงอันแท้ จ, จริงเพราะพระพุทธศาสนาเรานั้นไม่ยอมรับอำนาจการสร้างไม่ว่าจะโดยใครก็ตามาถือว่าเป็นนธรรมิติธรรมนิยามคือมันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันแล้วอยู่ในกฎเกณฑ์เกลื่อนไขของธรรมชาติสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นดับมันก็เป็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังขารธรรมทั้งหลายในโลก ซึ่งการมองนั้นต้องมองสองชั้นนะฮะชั้นนี้เป็นการพูดในแนวเตืนความจริงที่แท้จริงกันแต่ว่าในความจริงระดับระดับธรรมดาระดับสามัญหรือโลกโล ก, กะโล ก, กะสมตุติโลกกะบัญญัติเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ถึงกับไม่แสดงเลยทีเดียวเรื่องความเกิดของโลก แต่ก็ทรงแสดงไว้ในอักขเยสูตรแกว่าเศรษฐราพอสิทธิมนุษย์เราแสดงเป็นทํานองคือวิวัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเกาะกลุ่มของน้ําของดินเป็นต้นนานผ่านการเวลานา น, านแสนนานแล้วค่อยๆมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอาภัสรพรมมาเกิดมันก็เกิดเป็นแนววิวัฒนาการ คือค่อยเป็นค่อยไปความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นค่อยเป็นค่อยไปโดยลำดับจนถึงก็เกิดเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายหยาบมีอะไรเนี่ยแล้วก็มีเริ่มมีการก่อบ้านสร้างเมืองกันจำนวนคนเพิ่มขึ้นแล้วก็ธรรมะมันก็เกิดขึ้นธรรมะเกิดขึ้นตามความจำเป็นของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคราวแรกก็คือเรื่องของศีลห้าศีลห้าข้อแรกนั้นก็คือข้ออจินนาทาน เ, าเกิดขึ้นก่อนอต่อมาก็เกิดข้อกามเมกามีพอมีอจินนาทานมีกามเมีก็โกรธก็ฆ่ากันศีลข้อที่สก็เกิดไม่ใช่ศีลข้อที่หนึ่งก็เกิดพอฆ่ากันมันก็ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ยอมรับอศีลข้อที่สมันก็เกิด พอเกิดเสร็จแล้วคือศีลที่จริงมันก็ทิศที่เราเรียกว่าการมกิเลสนะฮะคือการกระทําที่ทราบมองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ทราบมองมก็มีอยู่สีข้อทนในส่วนข้อที่ห้านั้นเราเรียกว่าอบายมุขอย่างที่ว่าแล้วพอเสร็จแล้วบางคนมากเข้ามันก็อยากลิ้มอยากลองอะไร อ, อะไรมันเกิดขึ้นก็เกิดการดื่มสุราทรํารายขาดสติ มันก็กลายขึ้นมาเป็นบทบัญญัติที่จริงมันเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายของโลกในยุคต้นๆต้องเกิดขึ้นตามความจาเป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนื่องจากคนมากขึ้นพฤติกรรมของคนแตกต่างกันมากขึ้นก็มีการบัญญัติเป็นรูปของข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่าสินแต่ก็เป็นแนวของธรรมชาติธรรมดาคือเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา ไม่ได้มีอาพัสรพรมที่ว่านั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้สร้างแต่ว่าผู้ซึ่งลงมาด้วยโอชะของดินคือได้กลิน่นแล้วก็ลงมาแล้วก็กินโอชาของดินเหล่านั้นที่ท่านเรียกท่านแปลวา ง, งวนดินในะรูปร่างเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเรือกมานานนะเพราะว่านในที่สุดมันก็กลายเป็นกายหยาบขึ้นโดยลำดับเราไม่มีผู้สร้างมัน แต่ว่าความเชื่อความฝังใจที่มีมาในสายของศาสนาพรา์นั้นคือถือว่ามีผู้หนึ่งเป็นผู้สร้างขึ้นโดยแสดงว่ารูปชีวิตนั้นแท้ทจริงเมื่อก่อนก็ไม่มีความเชื่อถือในเรื่องเหล่านี้ก็มีมีสสี่ช่วงของความคิดด้วยกันนะช่วงแรกนั้นก็ถือว่ามนมีสิ่งหนึ่ง ซึ่งก็แปลกนะฮะม่จากรูปธรรมแล้วมันเป็นนามธรรมจากนามธรรมก็กลับมาเป็นรูปธรรมในความคิดครั้งแรกสิ่งที่เป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งนั้นเป็นชีวะเป็นชีวิตเขเรียกว่าประชาบดีบ้างเรียกว่าอะไรบ้างก็เรียกหลายชื่อก็เป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งแต่ไม่ใช่ถือกับว่าเป็นผู้สร้างอะไระถือว่าเป็นต้นเหตุเป็นผู้อภิบาลรักษาโลกนั่นเอง ต่อมาก็พูดถึงสิ่งสองสิ่งสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าปรมาตตมันสิ่งหนึ่งเรียกว่าประกติปรมาตมันนั้นก็คือกลุ่มของต้องพูดพูดภาษาธรรมดานะฮะถ้ากลุ่มภาษาธรรมดาก็หมายถึงถึงกลุ่มของวิญญาณหรืกลุ่มของจิตประกตินั้นก็คือกลุ่มของสารวัตถุทั้งหลาย ตัวประ k ิ i นั้นที่จริงก็ไม่มีอะไรคือไม่รู้สึกตัวด้วยด้วยตัวของตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็ครอบคลุมเนื้อหาคือคืออยู่ทุกคนทุกแห่งต่อมาสิ่งทั้งสองนี้ก็มาหมุนมาเจอกันในตัวปรมา ต, ตามันซึ่งรู้จักคิดมันก็เกิดกำหนัดยินดีในประติ t มันก็เข้ามาอยู่คือแยกตัวย่อย ตัวย่อยออกมาคล้ายๆกายกลุ่มประกรีดเนี่ย ม, ม, มันเหมือนกับแต่ผู้ธรรมดาคล้ายๆวิญญาณเป็นกลุ่มวิญญาณไม่รู้สกกี่แสงโกรดลานแล้วก็แยกตัวเองออกมาก็ถือปฏิสนธิพอได้ปัจจัยสองอย่างมันก็ก่อเป็นนามรูปขึ้นมาคือเป็นชีวิตขึ้นมาทีนี้ไ อ, อ้ชีวิตในแนวนี้เขาถือว่าตัวประกรีดตัวปรมาตามานั้นเป็นความบริสุทธิ์เหมือนเดิมเป็นความบริสุทธิ์ที่ท่องแท้จริงๆ แต่นั้นชีวิตของคนเมื่อเกิดของคนของสตัตว์เมื่อหมุนเวียนอยู่ในทั้งสารวัตรระยะหนึ่งแล้วเมื่อสำรอกกามวิสัยคือความกำหนัดอยู่ในอยู่ในไอเไอรูปร่างกายออกไปได้มันก็กลับไปรวมกับปรมา ต, ตามันเหมือนเดิมนั่นก็คือความคิดในตอนในช่วงที่สองซึ่งข้อนี้แหละท่านทั้งหลายจะพบว่ามันมาปนอยู่ในผู้เราจังเลยช่วงเนี้มาปนอยู่จังเลย การปนนั้นคือบางครั้งก็เป็นการปนโดยรู้ท่าไม่ถึงการบางครั้งก็มีคนก็เจตนาเอามาปนเข้าไว้แล้วทาให้เราเกิดความสับสนในสภาวะสุดท้ายของชีวิตคือสูงสุดสุดยอดของชีวิตเป้าหมายสูงสุดก็คือนิพพานซึ่งในสมัยโบราณ น, นั้นก็มาพูดอมตะหมานะคร น, นาฤพา นิพานเป็นเมืองแก้วคือไม่ต้อยู่ได้งไงเมืองแก้วมองปราบอากาศหรือเปล่าไม่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าอยู่อะไรนิพานนั้นคือเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมะตะมหานาครนรพานจะพูดในแนวนั้นนี่ก็คือแนวที่จริงมันเป็นรูปของความคิดของพรามที่แสดงถึงสภาวะอันเที่ยงแท้ของสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวยืนอยู่ในโลกนั้นถึงแม้จะ แยกย่อยออกไปแล้วก็ต้องกลับไปรวมได้ในที่เดิมส่วนวิธีกลับไปรวมก็มีแนวอยู่หลายแนวซึงเป็นรายละเอียดจนถึงกับมาแปลถ้าคำคำหนึ่งนฮะที่เรามาแปลว่าจิตเดิมนั้นบริสุทธิ์แต่ท่ร้าหมองไปพระอุปกิเลตที่จรมาบอกว่าพระพุทธเจ้า ว, ว่ า, เ, าเพราะเราแปลจากความฝังใจของเราเองแต้่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอย่างนั้น ทรงช้คำว่าประพัสธระมีดังพิกเวจิตตังตันจโข อ, อากันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังทรงใช้คําว่าดูก่อนพิสูทางหลายจิตนี้เป็นประพัทธสอนแต่จิตต้องเศ้ามองไปเพราะอุปกิเลสที่จอดมาไม่มีคําว่าเดิมนะฮะคำว่าเดิมไม่มีเพราะเราไม่เถือมีจิตเดิมไม่เป็นเรื่องของวัตถจกักรป็นเรื่องหมุนไม่รวมมุนเดิมมันอยู่ตรงไหน มีที่สุดอันกำหนดนับไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงใช้คานั้นคือกำหนดนับไม่ได้เพราะมีลักษณะของการหมุนก็ลองนึกดูมันมันจะนับตรงไหนขณะหมุนก็หมุนก็อยู่างเงี้ยนี่ก็คือการมองเรามองด้วยความคิดความวังใจก็ทำให้เราคิดว่าเมื่อจิตเดิมบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้บริสุทธิ์เหมือนเดิมก็ถือวนน่านิพพานมันถ้าบริสุทธิ์เหมือนเดิมมันมันมันไม่นิพพาน พอบริสุทธิ์เหมือนเดิมเมื่อเดิมมันบริสุทธิ์มันเข้าสู่วัตจักรมัน ก, ก็หมุนวนในวัตจักรแต่บริสุทธิ์เหมือนเดิ ม, มว่ามันก็หมุนกลับมาวัตจักรอีกในพระนิพพานจึงเป็นวิสังขารไม่ใช่สังขารอย่างที่ว่าเนี่นี่ก็คือความเข้าใจที่เราอาศัยอิทธิพลความเชื่อของหรือจึง ก, ก็เรียกว่าพรามนะฮะของพวกพราหมณอย่างไม่เป็นาศาสนาพรามอนะไร ตอนี้ต่อมาในยุคหลังยุคอาจารย์ของพระพุทธเจ้านะฮะยุคของท่านอาราดาบทกะลามโคตที่จริงก่อนจากนั้นก็แนวความคิดนี้เองมันก็ออกมาเป็นสองตัวเหมือนกันหนึ่งเรียกว่าปุรุษะอันหนึ่งเรียกว่าประกติก็คือกันนะฮะปุรุษะปรามาตามันประชาบดีที่จริงหมายถึงสิ่งเดียวกันแต่ว่าจะพูดในเชิงรูปธรรมหรือเชิงนามธรรมหรือกึงรูปกึงนามก็ช่างแหละ แล้วแต่ยุคแต่สมัยของความความเข้าใจของคนเหล่านั้นในเรื่องนั้นๆรูปชีวิตอธิบายเหมือนเดิมต่อมาก็มากลายเป็นมีพรห ม, มันแต่พรห ม, มันนั้นมันมันผ่านยุคเรื่องรามาเกียนไว้ก่อนนะฮะยุคเรื่องเรียกว่ารามายณนะถ้าถ้าถ้าก็เรียกยุคทางประจากักเรียกว่ายุคโุราณนะมันผ่านยุคนั้นไปก่อน แล้วก็มาเกิดเป็นแนวความคิดที่มีพรหมันพรหมันเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพรหมันพรหมันที่จริงให้ลองสังเกตนะฮะแล้วเราอาจจะโยงไปที่คนอื่นก็ได้พรหมันพรหมันปรมาตตมันปุรุษประชาบดียะโหวาเลาะพูดถึงเรื่องอย่างเดียวกันคือเรื่องที่เราไม่รู้อะไร พูดถึงตัววิชาในทางศาสนาเราไม่รู้ไม่รู้อะไรโดยก็กําหนดชื่ออนันตามเสียงเพราะงั้นไอ้ น, นี้มันเรื่องสมมติปัญญะแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นสักตัวหนึ่งพรหมเนี่ยก็ไม่มีใครเคยเห็นปรมัตตมันก็ไม่มีใครเคยเห็นนะไอปุรุษะเองก็ไม่มีใครเคยเห็นเหมือนกับยะโหวาไม่มีคนเคยเห็นทางศาสนาถ้าพูดถึงทางศาสนาก็คือตัววิชาตามโลกศาสนาแล้วคือไม่มีใครรู้มันต้นต่อมัน แล้วก็พวกนี้พอมาถึงคราวแรกนั้นจะพบว่าพระ ม, มันก็มีเชิงเป็นนามนธรรมเหมือนกันต่อมาคนเราก็ไม่ชอบฮนะชอบดูเป็นชิ้นเป็นอันชอบเห็นพระ ม, มันมาก็มากลายเป็นพระพรหมพระพรหมเนี่ยก็เปลี่ยนทั้งหลายครั้งหลายช่วงช่วงหนึ่งก็ห่างกันเป็นร้อยๆปีนะฮะต่อมาเสร็จแล้วก็เป็นพระพรหมเป็นผู้สร้าง สรรพสิ่งทีนี้แสดงตัวเป็นผู้สร้างเต็มที่เลยคือแสดงว่าเป็นต้นเหตุของสัรพสิ่งทีนี้จากความปักใจความฝังใจของคนมันก็ก่อให้เกิดเป็นปัญหาเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าส่วนมากจะเกิดขึ้นจากความฝังใจของท่านเช่นว่ามีเทวดาองค์หนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจ้า คือถือว่าบรรดาทรัพทั้งหลายคือเข้าเปลือกเป็นทัพอันประเสริฐแล้วก็สัตว์ทั้งหลายนี่ก็โคประเสริฐบรรดาพัญญาทั้งหลายพัญญาวัยรุ่นเนี่ยประเสริฐบรรดาลูกทั้งหลายลูกหัวปีประเสริฐคือเราเห็นว่าอันนี้คือแนวความคิดที่ได้จากโครงสร้างความคิดของพระ ถ้าเราถามเราไม่ถามอย่างนั้นนะฮะแต่เราถามถ้าเราเสนอความเห็นเรานะในเรื่องสี่เรื่องด้วยกันเราจะไม่พูดอย่างนั้นแต่เราจะเราจะพูดตามความปักใจของเราเพราะคนในสมัยนั้นอาชีพทางเกษตรกรรมเราก็ต้องอาศัยข้าวมันก็ถือว่าเป็นเรื่องพืชแล้วก็สิ่งที่จะช่วยในการทํานาก็คือโคก็คือโคส่วนพัญญา วัยรุ่นนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องสูตรเรื่องสูตรโลกลูกหัวปีก็ถือว่าเป็นลูกที่จะทําอะไรทักสินานุปาทานให้พ่อแม่เวลาตายลูกชายหัวปีเพราะงั้นลูกชายหัวปีจึงไอจะเลวยังไงก็ต้องถือว่าประเสริฐเพราะต้องพึ่งแกเวลาตายเดี๋ยวแกไม่ทําบุญให้แกมันก็เป็นความปักใจเฉยๆแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่แสด ง, งท่านท่านแสดงว่า ปัญญาที่ดีเป็นปัญญาที่ประเสริฐลูกชายที่ลูกที่ดีก็เป็นลูกที่ประเสริฐคนไหนก็จ่างไม่รู้พุ้ยเจ้าพุทธิกำพอนี้พุทธิ์ตัวคนอุ้ยเจ้าพุทธิกรรมคือมองกันคนละคนละคนละด้านจงเขาอาจจะจริงก็ได้จะไม่จริงก็ได้นะแต่ของพุทธเจา้าในจริงแน่เลยทีนี้จากการอธิบายในแนวนั้นพลอยพระยามานมาถามเอกแกก็ถามแนวะนั เรายอมรับโลกสองชั้นนะฮะยอมรับสัตว์ยอมรับโลกในเรรับสองชั้นอย่างที่ว่าคือชั้นของสมมุติบัญญัติกับชั้นที่แท้จริงและแม้จะเข้าถึงภาวะที่แท้จริงแล้วก็ยังรั บ, รบสมมุติบัญญัติอยู่แต่ไม่ติดแต่นั่นเองก็ในส่วนของสมมติบัญญัตินั้น ให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตที่เราพูดเราพูดกันบ่อยๆอยู่่บ่อยสมมติสมมติสัตจะสมมติบัญญัติโลกโบฏานโลกกนิรุตโลกกภาษาคือสรุปว่าเป็นการกําหนดหมายตกลงกันแล้วก็เรียกขานกันในเรื่องเหล่านั้นจึงกําหนดว่าสิ่งนี้เป็นบ้านในนี้ไมโครโพนในนี้ธรรมะอะไรตายนี่ฮก็เรียกว่าเป็นอัถบัญญัติคือบัญญัติตามรูปลักษณะแล้วก็มากําหนดกันขึ้นเรารู้กันในหมู่ของเราไอ้สิ่งนั้นเรียกอย่างนัน ต่อไปก็เป็นสัทธบัญญัติเช่นสมมุติว่าในหมู่เราเราเราเ ร, ารูรูปร่างร่างลักษณะอย่างเงี้ยือบ้านเพอก็พูดถึงบ้านโดยไม่จําเป็นจะต้องยกบ้านมาดูเรารู้แล้วว่ารูปร่างลักษณะอันเป็นยังไงเพราะอาศัยไอ้สิ่งที่เรายอมรับกันนี้ก็เป็นเรื่องการสมมุติแต่เราจะพบว่าบ้านมันไม่ได้เรีย ก, กว่าบ้านเสมอไปไปที่แห่งหนึ่งก็เรียกแห่งหนึ่งมาขึ้นอยู่กับภาษาจึงเป็นโลกภาษาเป็นโลกภาษ า, เ ป, า, ษาเป็นโลกโวหาร เป็นการกำหนดหมายของชาวโลกนั้นเป็นความจริงที่เรายอมรับเพราะงั้นไอคน้คำว่าสัตว์เนี่ยคำว่าสัตว์เราจึงยอมรับในแง่ของความของสมมตินะฮะไม่จะไม่ยอมรับแต่ไม่ยอมรับเปเดียวฆ่ากันตายคือยอมรับหมดเลยในชั้นสมมุติมีปาณาติปาตาตั้งแต่เป็นต้นไปนะฮก็สเพสัตาอะไรเนี่ยเราก็ยอมรับแต่เราไม่ยอมรับผู้สร้างไม่ยอมรับว่ามีผู้สร้างสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าใครก็ตาม แต่เป็นการเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยเท่านั้นเมื่อมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดสัตว์นี้มันก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีเมื่อเหตุปัจจัยไม่มีสัตว์ก็ดับหรือความเป็นสัตว์ก็ดับเอ่อไม่ต้องเอาอะไรมากนะอย่างอย่างคนเราที่ทานชัยแลกาถาบางสกุลเป็น ที่ว่าร่างกายนี้ไม่นานนอจากนอนทับเหนือแผ่นดินเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกัะท่อนไม้ที่ไม่มีสาระอะไรขนาดว่าแยกออกทีเดียวเราก็แยกแล้วมันหมดสัตว์นะหมดคนนะแยกเอาจิตแยกออกจากกายมันก็หมดความเป็นคนแนละ้วดังนั้นมองจึงอธิบายในแง่ของเหตุปัจจัยคือตันยกตัวอย่างกันธาตุอายตนะคับารธาตุอายตนะมนหมดนี้ก็เหมือนกัน เมื่อมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเมื่อไม่มีเหตุมันก็ดับไปแล้วก็อุปมาชีวิตว่าเหมือนกับมเมล็ดพืชที่คนก็หว่านลงไปในนาพอแกอได้รถของแผ่นดินมันก็งอกขึ้นมาได้ปัจจัยสองอย่างนะฮะปัจจัยสองอย่างคือหนึ่งตัวมเมล็ดพืชที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ต้องอาศัยรถแห่งแผ่นดินก็อ ง, งอกได้อนนี้ก็เราจะเห็นว่าวาทะของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้น ท่นลงกันหมดกับพระพุทธเจ้าแต่ท่านใช้คําในการสื่อความหมายยังไงท่านนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า อ, า ว, าอาวิชาสังขารวิญญาณนะฮะแต่ท่านบอกว่าเหมือนกับหวานพืชลงในดินมันหวานพืชลงในดินนะถ้าอาศัยสองอย่างคื อ, อความสมบูรณ์ของพืชคือยางเหนียวในพืชกับรถของแผ่นดินมันก็แตกหน่อมันก็งอกได้พระพุทธเจ้าก็ ท ร, ท, รทรงแสดงว่ากรรมเหมือนกับเนื้อนาวิญญาณเหมือนพืชนะะแล้วก็กิเลสเหมือนกันยางเดียวภายในพืชเพราะงั้นพูดเรื่องเดียวกันภาษาความภาษาที่จะเป็นสื่อความหมายเท่านั้นเองเกียรตคําคไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวนี่ก็เป็นหลักเป็นหลักอยู่ประการหนึ่งซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้ก็อยากจ ะ, ะนาท่านไปพบกับหลักสําคัญที่ควรกําหนดไว้ ที่เ ร, เรียกว่าสมาทิฏินะสมาทิฏิสองชั้นพระอรหันต์นั้นท่านสมาทิฏฐิที่เป็นอริยะคืเอเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่แห่งสมาทิฏิที่เป็นญาณ น, นะเกิดขึ้นด้วยญาณแต่ว่าสำหรับคนเราที่ยังมีอาสวะคือยังมีกิเลสอยู่ภายในใจสมมาทิฏฐิประเภทระดับ เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะคือสำหรับคนที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับเจ้าทรงแสดงว่าเป็นส่วนแห่งบุญคือเป็นฝ่ายพวกบุญอำานวยผลเป็นวิบากแข่งขันคือหมายความว่าไอ้สัมมาทิฏฐินี้พอแกเกิดแล้วเนะะี่ยมันเป็นบุญประเภทขัดกราวกิเลสบุญส่วนเหตุคือขัดกรากิเลสนะบุญส่วนผลก็คือความสมุข มองให้เห็นสองชั้นอํานวยบิบากแก่ขันคือหมายความว่าขันมันยังมีอยู่นะขันหนึ่งขันห้าขันสี่อย่างที่เราสวดแต่วันมันเป็นการตบแต่งขันให้มีการประนีตขึ้นไปนะอาจจะดึงมาจากอบายขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปลายอะไรล่ะรูปประพรมรูปประพรมอะนี่มันก็ยังมีขันอยู่นะขันหนึ่งขันสี่ขันห้าไอขันหนึ่งขันสี่ขันห้านายโยมจํากันได้รป่ารูปล่ารที่ที่ที่แผ่เมตตา ขันหนึ่งคืออะไรฮะขันหนึ่งนั้นคือปรมรูปฟักที่เราพูดนะฮะปลมลูกฟักมีเฉพาะรูกประขันไม่มีนามะขันนามาขันดับดับตั้งแต่ก่อนท่านตายแล้วก็ขันสี่ก็คืออรูปประพรมที่เกิดด้วยภูมิของอรูปฌานขันห้าก็เยอะ น, นะฮะขันห้าส่วนมากมันจะขันห้านะฮะพวกขันสี่ขันหนึ่งก็มีน้อย เพราะงั้นพวกสมาธิิแนวนี้มันอำนวยอํานวยผลให้เป็นความประนีตเป็นความสุขเป็นความสะอาดของขันหรือของรูปิธนาตัญญาตังขันวิญญาต์เพราะงั้นและจากพระพุทธธรรหลักข้อ น, นี้เราจะเห็นว่าสวรรค์ที่เราเรียกว่าสวรรค์สวรรค์ก็สักขะสังอขะคืออารมณ์เลิศเท่านั้นเองหมายความมารูปมันเลิศเสียงเลิศกลิ่นเลิศรสเลิศสัมผัสเลิศ สัมผัสเลิศ ก, กว่าเลยเลิศความมนุษย์เราเรียกว่าสวรรัรด์เท่านั้นเองนะไม่ไม่ไม่ได้เรื่องดุกซึ้งอะไรนักหนาเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากแรงดันสูงที่สุดคือสมาธิฏฐิสมาธิฏิคือปัญญาเห็นชอบเนี่ยเพราะปัญญาเห็นชอบนะปัญญาเห็นชอบเป็นหลักเป็นประฐานทั้งหมดอย่างที่เคยพูดบ่อยๆนะเพราะ ท, ที่จริงพระพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าจับหลักสมาธิฏิได้แล้วมันเดินได้เอง ตราบใดที่ท่านยังมีสัมมาทิฏฐิท่านจับจุดต้นของพรูปธาตุศาสานาถึงนิพพานนะเพราะนิพพานนั้นคือความสมบูรณ์ของสัมมาทิฏฐินั้นเองพอสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์มันก็เป็นสัมมาญาณในะความรู้ชอบต่อกันไปเป็นแถวไปทรงแสดงสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสะวะนะไว้10บข้อและให้ท่านสังเกตนะฮะว่าถ้าสัมมาทิฏฐิระดับสาสะวะพรูปฌาแสดงสิบข้อทุกขีเลย แลเหมือนกันนะเหมือนก็นก๊อปปี้กันไปเพราะอะไรเพราะสัตว์จะทํานั้นจะไม่มีความเปลี่ยนตัวของเขาเองคือความเชื่อความเห็นว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลการพิจิกรรมต่างๆนะครับมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีพ่อแม่มีคุณอ่ะพ่อมีแม่มีคุณพ่อมีคุณกรรมที่สัตว์ทําทั้งดีและชั่วมีผลแล้วสัตว์ที่ ผุดเกิดคือโอปปาติกะสัตมก็มีสมาภามที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วประกาศสั่งสอนบุคคลอื่นนั้นมี เ, เรามองแล้วท่านจะเห็นภาพอะไรท่านจะเห็นภาพถึงศรัทธาความเชื่อที่ท่านแสดงไว้สอย่างคือกรรมศรัทธาวิปากศรัทธาศราคตเอ๊ะไม่ใช่กรรมศักดิตาศรัทธาเชื่อความไม่อยู่ของกรรมเชื่อความไม่อยู่ของผลกรรมเชื่อความที่ศัตร์ทั้งหลายมีกรรมเป็นขอ ง, ของตน เชื่อการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าและเราไอยสิบข้อนี้ไปใส่ในสี่ข้อไปใส่ในสี่ข้อท่านจะเห็นว่าความเชื่อว่าสมณะพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลกนี้และสั่งสอนบุคคลอื่นให้รู้แจ้งธรรมนั้นก็คือตถาคตฐานธรรมใช่ั้ยกรรมก็เชื่อผลถิ่นผลทานนะั่นที่ว่าคือคือคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะอนเนกปริยาอย่างไรแสดงอย่างไ ง, แ, ง, ง, ไงแล้วเรามาจัดได้ทั้งหมด คือจะลงกันไม่มีการคานแยงอะไรกันเองเลยนี่คือสมมาธิติที่เป็นสาสะวะสมาธิฏิสมับคนที่มียังมีอาสะวะกิเลสอยู่นะฮะจะต้องอาศัยสมาธิฏิระดับนี้เป็นพื้นฐานเพราะถ้าเดินตรงนี้ได้สมมาธิติเป็นหลักเป็นประธานจะจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นสมาธิฏิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ กำหนดอารมณ์ความคิดแยกได้อะไรเป็นความดำริชอบอะไรเป็นความดำริผิดอะไรเป็นวาจาชอบอะไรเป็นวาจาผิดก็เดินนะฮะพะสมาธิติก็จะต้องอยู่ทุกแข่งของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทาก็ตามพระเทรีนั้นดัานไดแสดงคือท่านเองเข้าถึงสมาธิระดับที่เป็นอนาสวะนะฮะคือไม่มีอาสวะมันก็เป็นเรื่องของท่านแต่เป็นชั้นสูง จึงจงมองโลกในแง่ที่เป็นจริงสแสดงเป็นจริงเพราะไอ้พวกมารพวกนี้ส่วนมากจะมาดูมิน่นบางทีก็ถามมาถามปริทูนีเนี่ยโอ้ยจะเอาอ้พวผู้หญิงมีปัญญาแค่2นิ้วจะทำให้บรรลุมากคผลได้ไงเนี่ยคือมามามาโกนๆ เ, เขาเขามักใช้นะฮะจำนวนทำไมนั้นเป็นํานวนแบบดูมินผู้หญิงมีปัญญาแค่2นิ้ว หมายความว่าไงรู้ไหมปัญญาสองนิ้วคือสมัยนั้นผู้หญิงไม่มีลักษณะเป็นแม่บ้านที่สมบูรณ์นะครปัญญาแค่สองนิ้วก็คือจับเส้นได้สองนิ้วนี่จับเส้นได้เวลาปัน่นไฟแล้วก็สองนิ้วก็คือเวลาหุงข้าวแล้วก็แย่นิ้วลงไปเพื่อวัดน้ําระดับน้ําที่จะหุงโดยไม่ต้องเช็ดน้ำํำก็ต้องนั้นเองความสามารถสองอย่างนี้เพื่อนก็ดูหมินนะ่นครับคำคำถามมันก็ออกมาแนวนี้อยู่เรื่อยๆเพราะงั้นพิกษูนีท่านตอบท่นตอ บ, ตอบแรงมากเลย ยามาณายหลังเลยมันมันมันลึกซึ้งเหลือเกินไม่น่าจะตอบอย่างนั้นได้แล้วท่านก็แสดงถึงสภาวะตถิแท้ จ, จริงทีนี้าจากจากสูตรนี้ที่จริงมันก็มีเชื่อมกันนะมีเชื่อมกันอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นพระเทรีคนละ ร, รูปกันรูปนี้เราเอามาพูดกันมากกว่ารูปที่แล้วคือพระวชิราเทรีภิกษุณีอันนี้เปลี่ยนใหม่ฮะรูป จะลืมว่าคำถามเนี่ยตัวคำถามเนี่ยมันเปลี่ยนคำถามว่าสัตว์คำถามว่าสัตว์หมายเฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่ถ้าคำถามว่ารูปหมายถึงอะไรก็ได้หมายถึงอะไรก็ได้ที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกนิ้วกายของเราก็ถือว่ารูปทั้งหมดเลยนั่นก็ถามหมายว่าถามว่ารูปนี้ใครสร้างผู้สร้างรูปนี้มาจากไหนรูปนี้รูปนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะะ รูปนี้ใครรูปนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรรูปหรือว่ารูปนี้ใครสร้างแล้วผู้สร้างรูปนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้โดนดุเลยมานโดนดุเลยพระเถรีท่านถามมนีมานทำไมทาไมเธอไปดึงกลับเข้าหาเข้าหาผู้สร้างที่จริงมันไม่มีอะไรท่านบอกมันไม่มีอะไรไม่มีผู้สร้างอะไร ไปเลยแรงเลยตรงนี้ยทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับเพราะโลกนี้เป็นกลุ่มของทุกนะฮะล้วนๆเป็นกลุ่มของทุกล้วนๆนี่ไม่เบานะฮะตัวแดงให้เห็นถึงว่าคำถามนี้เราเราออกมาพูดกันมากแต่ว่าเวลาอธิบายธรรมส่สวนปรมาตธรรมนะฮะมันเริ่มจากนิบทาคือให้เกิดเบือ่อหน่ายในั้งขาทั้งหลาย คือประเดี๋ยวจะมองโลกในแง่ทุกข์ไปก็มันจะเซ็งคือต้องต้องรู้ไว้ว่าถ้าเราพูดเรื่องทุกข์นี่เราพูดในแง่ของความจริงที่แท้จริงความจริงที่แท้จริงไม่ใช่ว่าพูดระดับทั่วทั่วไปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในอนาธบินทิโกวาทสูตรนะครัประสูตรที่ว่าเดอโอวาทของท่านอนาธบินทิกาเษธีนอนาธบินทิกาเษธีตอนท่านป่วยหนักภาษาที่ท่านท่านท่า น, านให้คนมากราบ พระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้พระาธาตุภาษาบุตรกับพระอานนท์ว่างนะช่วยไปเยี่ยมท่านหน่อยตอนนี้ท่านอาการหนักมากแล้วภาษาดิบุตรพระอานนท์ท่านก็นไปพระษาดิบุตรท่านเทศธรรมะตะกี้นะฮะแนวแนวที่อาตมาบรรยายตะกี้เนะี่ยคือคือให้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่เนียงนะฮะสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าวิญ ญ, ญาณ เพราะการที่เราไปรู้สึกปวดนั้นก็เรารู้สึกว่าเราปวดถ้าเราถอนเราออกจากความปวดปวดก็ปวดเราก็เรามันก็อยู่คนเราฟากกันท่านก็พิจารณาตามแต่ในนาฏบินกิกาท่านเป็นเสร็จท่านท่านเป็นพระโสดาบันนะฮะทั้งฝังแล้วท่านก็เข้าใจท่านก็บอกโอ้ยนี่นีนในพระพุทธศาสนามีธรรมะลึกซึ้งอย่างนี้จะะ้ะเลยท่านนั่งใกล้พระพุทธเจ้ามาตั้งนานนี่ยุนจะตายอะไรไม่ได้เคยฟังเลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่แท้ ไม่เทศให้ฟังเนื่องจากเป็นยังไม่พร้อมอ่ะอยังไม่พร้อมแล้วก็ท่านก็เป็นฤๅษบดีธรรมาหักินก็พูดระดับหนึ่งแต่ว่าเวลานี้ท่านก็พร้อมแล้วพระส า, ารีบุตรท่านบอกว่าคือธรรมะระดับนี้นั้นไม่คือในหมู่คราวญนี้ก็ไม่ขยอย่างใดลึกนอกจากคนที่สนใจจริงๆนะฮะนอกจากคนที่สนใจจริงๆก็อย่างลึกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยยอมรับนะเรไม่ค่อยยอมรับ จากเนื่อ ง, งจากอะไรคือไอ้อตานุทิฏฐินะั่ะคือความเป็นเราเป็นของเราอะไรแต่มันก็มันก็บางมันก็ปิดเอาไว้เราก็ไม่ยอมรับในระิ่งเหล่านี้นเมื่อไม่ยอมรับก็ไม่ค่อยมีการแสดงธรรมะในแนวนี้จึงจะพูดกันในที่จํากัด น, นั่นเองจะไปออกทางโทรทัศน์ทางไรไม่ได้นอกจากรายการทําบรรยายเรออกได้ ที่ยานเกาะเพราะว่านื่องก็รู้สมาชิกพวกคนเขาวัดทั้งนั้นนะฟังยานเกราะมันก็พูดได้แต่ถ้าพูดสถานีวิทยุทั่วไปมันก็พูดไม่ไดเ้เพราะมันมีความเสี่ยงนะฮะมันมีความเสี่ยงจะมาคนที่ไม่เข้าใจอย่างว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกแก่ทุกไม่มีอะไรเกิดนอกแก่ทุกไม่มีอะไรดับ เ, เป็นการแสดงถึงความจริงที่แท้จริง ความจริงที่แท้จริงของของโลกของชีวิตเพราะในแง่ของสั จ, จธรรมคือภาวะที่เป็นสัจจะนั้นเราก็ถือว่ามันเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเป็นก้อนทุกข์เป็นกลุ่มของทุกข์แต่ว่าไอ้คาว่ากลุ่มของทุกข์เราจะต้องมองให้เห็นถึงความหมายความหมายที่ท่านอธิบายไว้ เพราะขอบข่ายของเขามาทุกนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนก็นี่แหละก็เกิดความคิดความสับสนระหว่างนักวิจการในปัจจุบันกับพระพุทธศาสนาซึ่งเขาจะมองพระพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นทุนนิยมคือมองโลกในแง่ร า, ายเขาว่าอย่างนั้นนะพูดไปพูดมานี่คือเราไม่เข้าใจกันเราไม่เข้าใจสื่อความหมายของท่อยคําที่เราพูดออกไปเนี่ยเราพูดในความหมายของวัดนะฮะเขาพูดในความหมายของเขาเลยก็ ก็คำคำเดียวกันแต่ว่าความหมายคนละคำกันมมหมายความว่าไอไออัฐบัญญัติไอรูปแบบของถ้อยคำของสิ่งนี้ที่ทางวัดรู้นันเรื่องหนึ่งทางบ้านรู้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ในที่สุดเราก็มาใช้อย่างนี้ก็มาอ า, อาศัยเสียงเป็นสื่อความหมายเลยพวกก็ไม่รู้เรื่องถ้าหากว่าเราพยายามทาความเข้าใจในถ้อยคำทุทุ ทุกขมะนะฮะทุกก็คือทุกขมะทุแปลว่าทุชั่วยากแต่ส่วนมากเราจะแปลว่ายากในแง่สังขารนะฮะนอกจากทุจริตพุจริตเราก็แปลว่าชั่วมากกว่าที่จะแปลว่ายากแปลว่าทนได้ยากนั่นคือสภาวะของสิ่งทั้งหลายไม่ใช่หมายความว่าทนไม่ได้เลยนะฮะแต่มันทนอยู่ได้ยากนั้นเองซึ่ง ใ น, นแง่ของทุก์ท่านก็แสดงไ้หลักทั่วไปก็แสดงอาเป็น4ี่แนวแนวหนึ่งก็คือเกิดขึ้นมาจากปัจจัยย่อยๆต่างๆคือองค์ประกอบต่างๆนี่ก็จะต้องต้องพยอยามมองให้เห็นว่าสิ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยและจากการจับจุดที่เหตุปัจจัยเนี่ยมันแม่ในลักษณะของอารมณ์เราก็เอาไปใช้ได้อารมณ์อย่างอย่างสมมติว่า คนด่าแล้วเราโกรธนี้แสดงว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยมันอยู่ที่ตัวคนด่าด้วยมันอยู่ที่การกําหนดถ้อยคําของเราด้วยมันอยู่ที่พื้นไอความคิดต่อถ้อยคําเหล่านั้นด้วยคือบางทีคําด่าคำเนี่ยคนหนึ่งเอาไปด่าเราก็ไม่เห็นไม่เห็นรโกรธอะไรนี่อย่างปู่ย่าด่ายายด่าอะไรอะไรครูบาอาจารย์ด่าไม่เห็นโกรธอะไรแต่ว่าถ้อยคำตรงนี้คนหนึ่งเอาไปดา่าเร า, เเาโกรธ ห, ห, หรือบางทีลักษณะของอารมณ์ มันมันมีเยอะมันปัจจัยประกอบเยอะเราก็พูดไม่ได้ว่าโกรธหรือไม่โกรธมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยปัจจัยต่างๆที่จะก่อให้เป็นความโกรธหรือว่าเป็นเฉยๆหรือว่าไม่โกรธเร้ยบางทีก็ตลกไปเลยมันก็ไม่แน่นะอย่างดูมันจะเคยเล่าให้ฟังทีหนึ่งที่ว่าอัาทราบนสโพลแจ่มนะอัทราบนานสพลแจ่มวัดมากรในองค์นี้มีชั้นเชิงเยอะมันเก่งมากคือคือพระเถราจารย์ใน ระดับเรี่ยรุ่นเนี้ยมันหมดชุดรุ่นที่สืบจากสมเด็จพระมาหาธรรมนะเดี๋ยวนี้มันหมดชุดเลยชุดนี้มัน อ, องค์ทั้งนั้นแตน่ละองค์แต่ละองค์งงนี่เก่งๆจริงเลยเออสมเด็จพระมหาธรรนะท่านท่า น, านถ้าไม่ทําอะไรนะเรียกมันดุดุจังเลยดุแรงด้วยท่านเป็นอะไรนะทำปาโมกอะไรนะนนะเป็นผู้ใหญ่นะทำปาโมกเป็นหมหาเทระสมาคม ก็ดูเสร็จแล้วแล้วท่านเดินยิ้มมากราบไปยิ้มลงมาถึงโอ้ยวันนี้โปรดมากรับสั่งด้วยเยอะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วไปคุยสมเด็จโปรดมากอันนี้เรียกไปรับสั่งด้วยเยอะเลยนี่เพราะอะไรเพราะเรากําหนดว่าเป็นเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นอุปชาเป็นบุปการีมันก็ทำ น, นั้นเนี่ยจริงจริงก็ต้งกว่าก็ว่าแรงๆนะแต่เราก็ไม่โกรธนี่ ลักษณะอารมณ์ที่แต่ละขณะให้ท่านลองสังเกตว่ามันมันจะมีเงื่อนไขเยอะเลยมันมันมันเป็นตัวแปรหาข้อยุติไม่ได้เพราะมันเป็นเกิดมาจากเหตุปัจจัยเราเราจะถือว่าอันนี้คืออารมณ์ที่ตั้งของความกําหนัดมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่เหตุปัจจัยแต่นั้นเองว่าจะให้เกิดกําหนัดหรือจะเกิดขัดเคืองรอว่าคนคนนี้เราอาจจะกําหนดครั้งหนึ่งเกิดขัดเคืองขึ้นมาเช่นสมมติสมมติว่ า, วาเราเดินมาเนี่ยแล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาด่าเรา เราหงุดกิดรโกรธอาจจะเก็บสะสมอยู่บ่ยๆแล้วพอเดินผ่านไปมีเพื่อนบอกโอ้ยคนนังคนบ้าน้อหายเห็นไหมฮะมันเกิดมีตัวแปรขึ้นมาหักมันก็เปลี่ยนความคิดก็เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเราสังเกตความคิดเราได้ตลอดลว่าแท้จริงนั้นมันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ที่ที่ที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเอง โดยเฉพาะในชีวิตประจําวันของเราไอ้ส่วนเกิดแก่ตายนั้นแน่นอนนะ่ยมันเหตุปัจจัยก็เห็นกันเยอะแยะแต่ว่าทุกขที่เกิดแผดเผาใจเป็นทุกขเวทนานะฮะท่านเห็นว่าเรื่องของทุกขเวทนานั้นมันอยู่ที่ปัจจัยเข้าประกอบเยอะแยะไปหมดนะให้ดูทุกระดับของความคิดแล้วท่านจะเห็นในความหลากหลายความเกิดดับของสิิงตอนนี้มันเปลี่ยนกันมันเรื่อยบางทีไอ้เหตุปัจจัยเปลี่ยนมากเลยเราเลยสามันดีสิบันรายเลย ต่มันดีสิบันรายมั่วหมดเลยอารมณ์ไม่ไม่อยู่ก็ร่องอร่อยไม่ก็ขึ้นขึ้นลงลงนี่เพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยต่างๆมันเกิดเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะใจเราก็เปลี่ยนตามปัจจัยแต่ถ้าว่าปัจจัยมันเปลี่ยนใจเราไม่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนภปยต่สำนวนจีนกำลังภายในเขาเรียกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเราเราเฉยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ก็ทําไปด้วก็ทําอะไรก็ทําไป แล้วก็อยู่เฉยๆนี้ก็คือเป็นลักษณะของความทุกข์ทีนี้อีกอย่างหนึ่งนั้นมันอะไรคือมันมีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปตลอดเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนมันก็มองในแนวอะไรละ่ะฮะว่ามันก็คล้ายโลกนะฮะโลกเราก็ถ้างแง่จริงๆนะฮะตัวโลกจริงๆมันก็เย็นนะฮะแต่ว่ายังไงโลกมันก็ร้อนอะ เพราะว่ารับแสงจากาพระอาทิตย์เพราะนั้นความสุขในแง่โลกหรือความเย็นในแง่โลกมันจึงไม่มีมันมีแต่ความร้อนที่ลดความร้อนลดลงไปก็ลดลงไปความสุขในแง่โลกจึงไม่มีนะเป็นนี่นี น, น, นีพูดความจริงชั้นชั้นปารามัดนะฮะระจาเห็นว่าคือต้องการายกย่อง ผู้หญิงในสมัยโบราณนะก็ก็ก็คือยกย่องผู้หญิงสมัยนี้ว่าไม่ใช่เล่นนะลึกซึ้งความความคิดความอ่านท่านท่านคือว่าท่านท่านท่านแสดง้จนจนมานงอะไรกันนะ่ยเอ่อทุกที่แท้ไอ้ไม่ใช่คือความสุขที่แท้จริงไม่มีมันมีแต่ความทุกข์ลดโดยเฉพาะนิพพตทุกนะฮะท่านจะเห็นว่านิพพตทุกคือทุกเนืองนิดนะ มีหิวมีกินมีร้อนมีหนาวมีปวดอุจจาระมีปวดปัสสาวะมีเมื่อยเขอบเมื่อย น, นี่คือคล้ายๆมันสุกอะนั่งเมื่อยตะแคงขวาเมื่อยแล้วพริกตะแคงซ้ายหายเมื่อยสุกสุ ก, สกประเดี๋ยวทุกข์อีกแล้วเวลาก็พลิกอีกมันไม่มีอะะมันทุกข์มันลดไปเฉยๆทุกข์มันลดแล้วเราก็รู้สึกว่าสุขคืออยู่ในวิสัยพอทนได้เราก็ว่าสุขนะพอสุบายเราก็สุขเลยเกิดแท้จริงมีที่ไหน ม่ไมีชีวิตประจําวันพฤติกรรมของเราเหมือนซ้ำๆต้นซ้อนองมุนกันอยู่อย่างเงี้ยทำกันอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำๆซทากันะดังนั้นท่านจึงแสดงว่ามันไม่มีความสุขมีแต่ก้อนทุกข์นะฮะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์ล้วนๆในแง่โลกนะฮะญาติเรือมันก็ถามเรื่องรูปก็าถามเรื่องรูป รูปไม่ว่าจะเป็นรูปภูเขาต้นไม้อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนนะไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดแล้วก็อะไรจะมีสิ่งปัจจัยที่เข้ามาเบียนนะเข้ามาเบียนนอก่อให้เกิดความร่าร้อนส่วนมากก็เน้นไปที่ทุกขเวทนา ทุเวทนาที่เราได้รับแต่อย่าลืมว่าพวกนี้มันก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งหมดอีกหละถึงแม้จะออกมาในรูปของทุกขเวทนาออกมาในรูปทุกอะไรก็ตามก็เกิดขึ้นมาจากปัจจัยเข้ามาประกอบเรเป็นการสอนให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นกองทุกกลุ่มทุกล้นล้วนนะฮะเป็นกลุ่มทุกล้นล้วนทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเองในแง่ของเวทนานะฮะแต่โดยสภาวะแล้วมันก็เป็นทุก ในส่วนเวทนาที่เราสเสวยนั้นอาจจะทุกมากทุกน้อยแต่ทุกน้อยเราก็เรียกว่าสุขแต่ทุกมากเราก็เรียกว่าทุกถ้ามองในเงี้ในแนวเวทนาแต่ปัญหาว่าในการตัดสินคําว่าทุกนั้นส่วนมากแล้วเราจะมองในแนวอะไรล่ะในแนวของเวทนาที่ส่วนมากเวทนาคือปวดขบเมื่อยอะไรต่ไรนี่ยเป็นแนวของเวทนาที่ส่วนมาก จะนั่งจะนั่งสมาธิแล้วเมื่อยจะทํำยังไงวันก่อนนี่หมอเอาวีดีโอของหลวงปูส่สีแม้ฟังอย่างนึกขับมากนกรรมฐ า, านก็ทํำยังไงก็พกลิกเลยสิก็เมื่อยก็ทําเป็นจะถามไม่คำถามขนาดนั้นเมื่อยมากนั่งพลิกเสียเมื่อยมากก็ลุกขึ้นเดินเจ็บมกกว่าอิริยาบถเราทําก็ทกมาแล้วจะทํำยังไงเ ร, เราบางังคับมันได้มาไหนก้อนทุกเนี่ย เรื่องสังขารมันก้อนทุกธรมธรมดาธรรมดาคือบางทีก็ขำขำให้คำถามมันก็ขำขำเหมือนกันเป็นปัญหาที่เราตอบเองได้นะมนไม่จำเป็นจะต้องไปถามอะไรทีนี้การมองการสอนในแนวนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นการพูดถึงปรมาภะนะฮะคือความจริงชี้แท้จริ ง, แ, รงแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่านิ บ, บิทาปฏิปทา มันเป็นบันไดฮะเป็นนิพิทาปฏิปทาคือคือคือข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เกิดความเบื่อหน่ายคิดมาเพราะตามปกติแล้วก็ใจคนมันก็สยบเพลิอเพลินติดอยู่ในโลกนะฮะมองโลกอันโลกทัศน์ของคนนี่โลกมันก็คือโลกนะฮะแต่ว่าโลกทัศน์ของคนมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนจากการมองของคนเราเนี่ย อย่างว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในข้อแรกเลยนะฮะในในในหลักที่จะทำให้เราเห็นว่าคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันคือมองโลกเดียวกันโลกใบเดียวกันนะฮะแล้วก็แต่ละคนก็เป็นคนเหมือนกันแต่ก็เห็นโลกใบเดียวกันนั้นไม่เหมือนกันคือทรงแสดงว่าเพราะเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุราชรด ที่ผู้คนเขาค่องอยู่แต่ผู้รู้ไม่ค่องโลกใบเดียวกันนะฮะผู้รู้ค่องออผู้ไม่รู้ค่องแต่ผู้รู้ไม่ค่องเพราะอะไรเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเข้าใจโลกว่าแท้จริง ม, มันก็เป็นเป็นกลุ่มของสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเองเป็นกลุ่มทุกกลุ่มทุกร่วนๆฉันใช้คำไพเราะมากนะฮะ ทุกท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกขไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับและอุปมาของพระเสลาเทรีข้างหน้านะฮะท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับการเอาทัพพระสัมภาระอันนั้นนั่นคืออันนั้นผู้เรื่องสัตว์นะฮะทัพพระสัมภาระมาประกอบกันได้สัตส่วนการสมมติบัญญัตวิวรรถมันก็มีได้ว่าเรือนมันก็มีได้ว่าบ้านมันก็มีได้แต่จริงๆแล้วมันไม่มี ไม่มีบ้านไม่มีเรือนมันเป็นเพียงการประกอบของปัจจัยทั้งหลายเท่านั้นตกลงว่าคนหนึ่งนั้นพูดในแง่ของอนัตตาคนหนึ่งพูดในแง่ของทุกของทุกขตาซึ่งสรุปแล้วว่าเป็นการแสดงความจริงที่แท้จริงตามหลักของพระไตรลักษณ์ทั้งหมด จากเรื่องเหล่านี้มันก็มองย้อนเข้ามาในอารมณ์ชีวิตปัจจุบันของเราที่เรามีปัญหาคือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นสารพัดอะไรต่างๆนั้นจนถึงล่อยคว้าแสวงหากันเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของดีวิเศษแต่ถ้าเราเข้าใจถึงความจริงว่าแท้จริงมันก็วิ่งหาทุกข์นะเป็นการวิ่งหาทุกข์ให้มันเกิดขึ้นมากๆแล้วนั่นเองเราก็จะคลายกำหนัดลง มันอยู่ในจุดที่จะไปคุมศีลธรรมอย่างน้อยนะฮะคุมศีลธรรมคือจะคุมไม่ให้การแสวงหาไอ้ก้อนทุกข์ทั้งหลายในทางที่ทุจริตคือใช้ในลักษณะหยาบๆเราก็ใช้ได้อย่าอย่าลืมว่าใจรักนั้นไม่ไม่ใช่ว่าพอเห็นใจรักแล้วเราจะเออต้องมุ่งเป็นทิฏฐิวิสุทธ์คือความเห็นวิสุทธ์จริงๆอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในพื้นฐานชีวิตประจำวันเนี่ย เราสามารถเอาใจลักมาเป็นหลักในการมองโลกอย่างสบายๆนะฮะมองโลกในแง่ของความจริงมองธรรมดาเลยเนี่ยธรรมดาของมันไม่เที่ยงก็ยังเออจะเนี้ยสมมุตรเริเราเร า, เรามองในแง่ธรรมดามันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างกในกรณีของน้ําท่วมที่ ท, ที่ที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยเรามองในแง่ธรรมดามันก็คือธรรมดาแล้วมองในแง่ที่ว่า อะไรที่จริงดีนะไม่แรงกว่านี้เพราะที่เมืองนอกมันแรงกว่านี้บางประเทศมันแรงกว่านี้เราขนาดนี้เราก็ดีกว่าเขาแยะก็ทำให้เราบันเทาความคิดความคิดในลักษณะที่ไปโทษคนน้อนคนนี้ออกไปได้แยะเราก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเผชิญปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวของตัวเองหรือว่าร่วมแรงร่วมร่วมใจกันในกิจการงานต่าง ตลอดถึง เ, เวลาไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปู่ตายบังคับบัญจากาันลูกหลานกับอะไรต่ออะไรเนี่ยคือถ้าเราเอาใจรักเป็นหลักจิตใจจะบ้างมันก็ทําให้ผ่อนคลายความตึงเครียดในด้านอารมณ์ลงไปได้นะไม่ใช่าจะมองในแนวอ น, นิจจังหรือแนวทุกขังหรือแนวอนัตตาก็ตามเราก็จะผ่อนคลายความโกรธความ มุ่งหวังหรือความหวังหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นอะไรอะไรเนี่ยเอาก็จริงเราเองเราก็บังคับเราไม่ได้จะเอาอะไรไปบังคับคนอื่นอ่ะเพราที่จริงไอ้คนที่ชอบบังคับคนอื่นนั้นคือแสดงความอ่อนแอนะพวกที่ชอบสั่งพวกนีบ้บังคับใครไม่ได้นะฮะอย่างพวกนายพลทั้งหลายบางทีไปเบ่งเบ่งเี่มันช่องอย่างงั้นทางอย่างงี้ไปถึงกลัวเมียงออเลยอยู่ที่บ้านเนี่ยกลัวเมียทําอะไรไม่ได้ ไม่ได้เก่งจริงอะไรเท่าไหร่คือว่ามันมันอำนาจใจนี่มันไม่ได้แข็งพอเพราะว่าคนเราถ้าอำนาจใจเราแข็งพอเนี่ยเราจะคุมตัวเองได้ก่อนพวกนี้จะมีการสั่งน้อยมีการสั่งน้อยเพราะเขาคุมตัวเองได้อันนี้ก็คนขี้บ่นจู้จี้จุกจิกขี้รำคาญขี้หงุดหงิด น, นี่แสดงว่าจิตใจอ่อนแอมากหรือบังคับตัวเองไม่ได้แล้วก็คิดจะบังคับคนอื่นนะ คิดจะบังคับคนอื่นทั้งๆ ท, ที่ตัวเองนั้นบังคับตัวยังไม่ได้แล้วไปกะเกณฑ์จะบังคับคนนั้นคนนี้เราก็มองในแง่ของใจรักเราก็คุมคุมความคิดในด้านนี้ของเราลงไปได้นะฮะอย่างอย่างน้อยที่สุดเป็นหลักเป็นหลักใจที่จะให้เราอยู่อย่างเป็นสุขสงบหรือไม่ไม่ ไ, มไม่ถึงแค่ขั้นที่ท่านว่านะเราก็ได้ความสุขสงบในขั้นหนึ่ง เีกอย่างหนึ่งนั้นให้เราได้หลักอย่างหนึ่งในแง่ของผู้สร้างทั้งหลายนีผู้สร้างทั้งหลายว่าคนอื่นเขาว่าอย่างไงนั้นเขาว่านะฮะแต่พระพุทเธเจ้ามียาณอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีญาณอีกอย่าง ند. ไม่มีใครสร้างไม่มีผู้สร้างไม่มีอะไรจะเรียกชื่ อ, อยังไงมีรูปแบบยังไงก็ตามถ้าหากว่าเป็นผู้ดนบันดาลหรือสร้างหรืออะไรก็ใช้จำ น, นวนรังสริค์อะไรเนี่ย แต่สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยญาณแต่สิ่งที่เป็นต้นเหตุของสรรพรสิ่งที่พระพุทธศาสนาค้นพบแล้วถือว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะจุดสุดท้ายของสิ่งทั้งหมดมันก็คืออวิชาตานั่นเองได้แก่สิ่งได้แก่ความไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริง แล้วเมื่อสิ่งนั้นเราไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นไรก็มีการกําหนดหมายกันขึ้นไปเรียกขานกันขึ้นไปนะฮะก็คล้ายๆก็เห็นไม้ไหวใบไม้ไหวพุ่มไม้ไหวอยู่นี่ฮะก็ขึ้นจากการกําหนดหมายบางคนอาจจะนึกว่าหมูบางคนอาจจะนึกว่าเสือบางคนอาจจะนึกว่าหนูบางคนอาจจะนึกว่าไกา่ก็ได้มันอยู่ข้างล่างเพราะเราก็ไม่รู้อะไรว่าที่แท้จริงมันเป็นยังไงดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่ยอมรับผู้สร้างทุกรูปแบบ นอกจากนอกจากกรรมนะเนี่ยนอกจากกรรมกรรมนั้นพูดในแง่สังสารวัตรนะพูดในแง่สังสารวัตถ้าพอเลยไปแล้วเป็นเป็นวิวัตตะนั่นก็ไม่มีกรรมอีกแล้วเหมือนกันถ้าภาษาธรรมดาก็คือกรรมตัณหานีเป็นผู้สร้างในแง่ของสังสารวัตรแต่ถ้าพอเลยพอเลยไปถึงถึงวิมุตต์ก็หลุดพ้นจากกรรมหลุดพ้นจากสังสารวัตก็ไม่มีผู้สร้างเหมือนกันก็ อย่าลืมว่าผู้สร้างในรูปแบบที่เราเชื่อถือกันนะฮะทางศาสตร์สถานีไม่ยอมรับทั้งหมดแล้วเรื่องของใจรักอย่าคิดว่าเราจะต้องใช้จนรอให้ได้สมาธิอะไรแต่ก่อนที่จริงใช้ในชีวิตประจำวันเนียฮะเวลานี้เอามากๆได้แล้วก็จะดีมากเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันสนั้นถ้าเราไม่รู้ความจริงตามพระใจรักแล้วเราจะกาหนัดกันืงร่มหลงมัวหมองวุ่นวายกันอยู่อย่างี้ ต้องการแก้ไขคลายร้อนผ่อนให้เย็นนะแม้แต่น้ำท่วมก็ที่จริงมันควรจะเย็นนะก็ร้อนก็ผ่อดลงไปโดยอาศัยมองความจริงตามประตรหลักแล้วก็จะได้หลักในการดำเริชีวิตในชั้นหนึ่งสมมติวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี